ที่มาล้วนแล้วแต่มีอายุพรรษานะครับนัายาติโยว ล, ลูกหลานถึงท่านจะมานั่งเลี้ยงจากหลวงพ่อไปถาม30พรรษาหลายองค์นะอยู่ที่นี่20กว่าพรรษา30พรรษา10กว่าพรรษาที่บวชมาในพระพุทธศาสนาท่านนำล ง, งทรงธรมวินัยมาที่มีอะไรเกิดขึ้นมี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 จะมีแต่ความเจริญผาสุขโดยส่วนเดียวนะวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากนะแล้ววันพรุ่งนี้เนอะคณะสัทยาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะวันที่ยี่สิบหกนี่เกิวันนี้ก็สัตยายญาติโยมเข้ามาเตรียมพร้อมแล้วนะแล้วกัวันที่ยี่สิบหกคณะกรรมการจะนําวันนี้คงจะนําของเข้ามาขอให้พระจะช่วยกันดู